ริญญาวาระหนึ่งปัจจุปันนวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันร้อหอนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสั์บุคคลนั้นก็กำลังละสมุทัยาสั์ใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดกำลังละสมุททยาสั์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ทุกขสั์ใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัจบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละสมุททยาสัจใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำลังละสมุททยาสัจบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิใช่สองอตีตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตร6อหอนุบุคคลใดเคยกาหนดรู้ทุกขสัจ บ, บุคคลนั้นก็เคยละสมุทัยศัตร์ใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดเคยละสมุทัยศัตร์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้ทุกขศสตร์ใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้ทุกขศสตร์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละสมุทัยศัสตร์ใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่เคยละสมุทัยศัตร์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขศสตร์ใช่ไหม วิใช่ 3. อนาคตาวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตร้อหกสอนุบุคคลใดจะ ก, กําหนดรู้ทุกขสัจบุคคลนั้นก็จะละสมทุทัยสัจใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจกละสมทุทัยสัจบุคคลนั้นก็จะ ก, กําหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่จะกกําหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิใช่4ปัจจุบันนาตีตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตร้อหกสอนุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้ทุกขสัตว์ บุคคลนั้นก็เคยละสมุทยสัตว์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปติบุคคลใดเคยละสมุทยสัตว์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตย์ใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละสมุทยสัตว์ใช่ไหมวิอรหันตะบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์แต่นิช่ไม่เคยละสมุทยสัตว์ เว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กําลังกำหนดรู้ทุกขสัจและก็ไม่เคยละสมุทัยสัจปฏิบุคคลใดไม่เคยละสมุทัยสัจบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมักไม่เคยละสมุทัยสัจแต่ไม่ใช่ไม่กาลังกหนดรู้ทุกขสัจ เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอาราตมักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยละสมทุทัยสั์แล้วก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัจห้าปัจจุปันนานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตร้อยหสเกอนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสัตบุคคลนั้นก็จกละสมทุทัยสัจใช่ไหมวิไม่ใช่ บุคคลใดจักละสมุทยสัตว์บุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ทุกขสัจบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละสมุทยสัตว์ใช่ไหมวิบุคคลผู้จักได้มักไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ทุกขสัจแต่ไม่ใช่จักไม่ละสมุทยสัตว์อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มัก ไ ม, ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์และก็ไม่ใช่จักรละสมุทัยสัตว์ปติบุคคลใดไม่ใช่จักรละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์ใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยอารัตมักไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์แต่ม่ใช่เมื้อกำลังกำหนดรู้ทุกขสัตว์อรหันต์บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มักไม่ใช่จักละสมุทัยสัตว์ และก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ทุกขสัจหกอตีตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตร้อยเจ็ดสอนุบุคคลใดเคยกําหนดรู้ทุกขสัจบุคคลนั้นก็จักละสมุทยัยสัจใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจักละสมุทยัยสัจบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิไม่ใช่ อนุบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสั์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรละสมุทัยสัต์ใช่ไหมวิบุคคลผู้จักได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัจแต่ไม่ใช่จักไม่ละสมุทัยสั์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสั์และก็ไม่ใช่จักรละสมุทัยสั์ปติบุคคลใดไม่ใช่จักรละสมุทัยสัต์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิอรหันต์บุคคลไม่ใช่จักละสมุทยัยสัจแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัจบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักไม่ใช่จักละสมุทยัยสัจแล้วก็ไม่เคยกำหนดรู้ทุกขสัจปริญญาวาระจบสัจจยม ก, กะจบ ยมกะหนึ่งปัญญาติวาระอุเทศหนึ่งสังขารสามคือหนึ่งกายะสังขารสภาพที่กายปรุงแต่งสองวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งวาจาสจิตตะสังขารสภาพที่จิตปรุงแต่งรวมอาสะปัสสะชื่อว่ากายสังขารวิตกและวิจารณ์ชื่อว่าวจีสังขาร สัญญาและเวทนาชื่อว่าจิตตสังขารเว้นวิตกและวิจารณ์แล้วสภาวะธรรมที่สัมพ ย, ยุด้วยจิตแม้ทั้งหมดชื่อว่าจิตตสังขารหนึ่งปัทถโสธนะวาระอนุโลม2กายเป็นกายะสังขารใช่ไหมกายะสังขารเป็นกายใช่ไหมวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหมวจีสังขารเป็นวจีใช่ไหม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 ไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นจิตใช่ไหมสองปทโสธนะมลจักกะวาระอนุโลมสกายเป็นกายยสังขารใช่ไหมสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมกายเป็นกายยสังขารใช่ไหมสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหม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 ติวารานิเทศหนึ่งปัทถโสธนวาระอนุโลม8อนุกายเป็นกายสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิกายสังขารเป็นกายใช่ไหมวิไม่ใช่อนุวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิวจีสังขารเป็นวจีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิต เป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตตสังขารเป็นจิตใช่ไหมวิไม่ใช่ปัจจ尼กะกาอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายยสังขารใช่ไหมวิกายยสังขารไม่เป็นกายแต่เป็นกายยสังขารเว้นกายและกายยสังขารแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายยสังขารก็ใช่ ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายยสังขารไม่เป็นกายใช่ไหมวิกายไม่เป็นกายยสังขารแต่เป็นกายเว้นกายและกายยสังขารแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายยสังขารก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวจีไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมวิวจีสังขารไม่เป็นวจีแต่เป็นวจีสังขารเว้นวจีและวจีสังขารแล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่ไม่เป็นวจีส physics, no ังขารก็ใช่ปาฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นวจีใช่ไหมวิวจีไม่เป็นวจีสังขารแต่เป็นวจีเว้นวจีแล้ววจีสังขารแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่ไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิ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 ปัทโส ธ, ธนะมูลจักรวาระอนุโลมสิบ <ay> อนุกายเป็นกายสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมวิวจีสังขารเป็นสังขารก็ใช่เป็นวจีสังขารก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นวจีสังขารอนุกายเป็นกายสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิ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 วิใช่อนุสภาวะธรรมที่ order. ไม <ım. S 2> <The buenas S 3> ่เป็นกายไม่เป็นกายยะสังขารใช่ไหมวิกายยะสังขารไม่เป็นกายแต่เป็นกายยะสังขารเว้นกายและกายยะสังขารแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายยะสังขารก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิใช่สบอนุ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 ไม่เป็นจิตตสังขารก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมวิใช่สสุทธสังขารวาระอนุโลมสิบหอนุกายะสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิวจีสังขารเป็นกายะสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ กายสังขารเป็นจ e? no? no ิตตสังขารใช่ไหมวิไม no. ่ใช no ่ปฏิจิตตสังขารเป็นกายยสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่อนุวจีสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตตสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมวิไม่ใช่ปัจจเนกะสิบเจ็ดอนุ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมวิวจีสังขารไม่เป็นกายสังขารแต่เป็นวจีสังขารเว้นกายสังขารและวจีสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายสังขารก็ใช่ไม่เป็นวจีสังขากรก็ใช่ปฏิสภาวธรรมทีไม่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมวิกายสังขารไม่เป็นวจีสังขารแต่เป็นกายสังขาร เว้นวจีสังขารและกายสังขารแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่ไม่เป็นกายยสังขารก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายยสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิจิตตสังขารไม่เป็นกายยสังขารแต่เป็นจิตตสังขารเว้นกายยสังขารและจิตตสังขารแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นกายยสังขารก็ใช่ไม่เป็นจิตตสังขารก็ใช่ปฏิ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 ไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่ปัญญาติวารนิเทศเจบ 2. สองปวติวาระหนึ่งปุปปาทะวาระหนึ่งปัจจุปันนาวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน อนุโลมบุคคล 19. อนุกายะสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งลมอาซาสะปัสสะสะซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทัคณะแห่งลมอาซาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌาน และของบุคคลผู้อ er ุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและวจีสังขารก็กาลังเกิดปฏิวจีสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเว้นจากลมอาชาสะปัชชาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่ก e ําลังเกิด ในอุปาทขณะแห่งลมอาซาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในฟามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและกายสังขารก็กำลังเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดกำลังเกิด กายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาศาสะปัสสะจิตตะสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่กายยสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งลมอาซาสะปัสสะจิตตะสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและกายยสังขารก็กำลังเกิดยี่สอนุวจีสังขารของบุคคลใดกำลังเกิด จิตตสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดว่าจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์จิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ว่าจิตสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทาขณะแห่งวิตกและวิจารณ์จิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด และววตถีสังขารก็กาลังเกิดอนุโลมะโอกายสิบออนุกายะสังขารในภูมิใดกกำลังเกิดวัตถีสังขารในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในทุติยชาญและตติยชาญในชาญนั้นกายะสังขารกำลังเกิดแต่วัตีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในปฐมชาตและในกลามวจรภูมิในภูมินั้นกายสังขารกาลังเกิด และวัตีสังขารก็กําลังเกิดปฏิวจีสังขารในภูมิแดนกาลังเกิดกายสังขารในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้นวจีสังขารกําลังเกิดแต่กายะสังขารไม่ใช่กําลังเกิดในปฐมฌานและในกามาวจรภูมิในภูมินั้นวจีสังขารกําลังเกิดและกายะสังขารก็กําลังเกิด อนุกายะสังขารในภูมิแดนกำลังเกิดจิตตสังขารในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารในภูมิใดนกำลังเกิดกายะสังขารในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในจตุทชาญและในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจิตตสังขารกำลังเกิดแต่กายะสังขารไม่ใช่กำลังเกิด ในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและในปรมาวจรภูมิในภูมินัしし้นจ ah ิตตสังขารกำลังเกิดและปลายสังขารก็กำลังเกิดยี่สิบสองอนุวจีสังขารในภูมิใดกำลังเกิดจิตตสังขารในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารในภูมิใดกำลังเกิดวจีสังขารในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ ในทุติยชาติตาติยชาตและจตุทชาตในชาตนั้นจิตตสังขารกําลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กําลังเกิดในปฐมชาตและในกลางวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจิตตสังขารกําลังเกิดและวจีสังขารก็กําลังเกิดอนุโลมะปุขคโลกาต์ยี่สิบสามอนุ กายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปัจจินีกะบุคคลยี่สิบสอนุกายยสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดว จ, จีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทาคณะแห่งวิตกและวิจารซึ่งเว้นจากลมอาสาสะปัสสาสะ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 วจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ wie? ในอุปาทขณะแห่งลมอาซาสะปัสสะสะซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่กายสังขารมิใช่ไม่้อกำลังเกิดในพังทคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัขณะแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเว้นจากลมอาซาสะปัสสะสะ บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาส like ัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและกายสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอชาสัปชาสะกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่จิตสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค้ขาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดกายะสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ยี่สิห้าอนุ วจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตแตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตแต่สังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ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 ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นกายสังขารไม่ใช่กําลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในเจตุตชาและในอาศันยสัตตภูมิในภูมินั้นกายสังขารไม่ใช่กําลังเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิวจีสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดกายสังขารในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ในทุติยฌานและปฏิยฌานในฌานนั้นวจีสังขารไม่ใช่กําลังเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในเจตุทัชฌานและในอสัญยสัตตพูมิในภูมินั้นวจีสังขารไม่ใช่กําลังเกิดและกายสังขารก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุกายสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตสังขารในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ในเจตุทชฌานและในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นกายะสังขารไม่ใช่ก <help blueberry> ําลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นกายะสังขารไม่ใช่กําลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิจิตตสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดกายะสังขารในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่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 กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่ีกำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเว้นจากลมอาศาะปาศาะัสสะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยสัตตภูมิกายแสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิ ว่จีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดวิใช่พึ่อขยายคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดให้พิจารณาโดยในอย่างเดียวกันกับในคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดคําว่าของบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตมีไม่ได้ ติตวาระว่าด้วยทำที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลยี่สิบอนุกายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวิใช่อนุกายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวิใช่สามสิบอ น, นุว่ิตสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวิใช่อ น, นุโลมะโอกาตสามสิบเอ็ดอนุกายะสังขารในภูมิใดเคยเกิด คำที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทุกแห่งอนุโลมะปุขคโลกาต์สาสสองอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่เคยเกิด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 แต่กายสังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าปฐ네 <Ash ELLE> มฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกายมวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและกายสังขารก็เคยเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 และกายสังขารก็เคยเกิดสามสิบสาอนุไวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจิตสังขารของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยฌานตติยฌานและจัตุทฌาน เมือ่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่จิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ว่าจิสังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็เคยเกิดปัจจินิกะบุคคลสาสิบสี่ อนุกายะสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิวจีสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดกายะสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีอนุกายะสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิ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 บุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญวจีส anyway, ังขารของบุคคลเหล่านั้นในชา น, นั้นไม่เคยเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าจตุตชาญเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุททาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและกายสังขารก็ไม่เคยเกิดอนุ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 บุคคลผู้เข้าทุา ต, ติยชานตติยชาญและเจตุทชาญเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่วัีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมวัีสังขารของบุคลคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจิตตสังขารก็ไม่เคยเกิด ปติจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดว่าจีตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ 3. อนาคตวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต อนุโลมบุคคลสามสิบเก้าอนุกายยสังขารของบุคคลใดจกเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดจกเกิดกายยสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิต ข, ของบุคคลผู้อุบัตอยู่ในกรามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น ปัดฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและปริญิพานกำลังจุติวจีสังขารของบุคลลกกบ ค, ลบคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายสังขารก็จะเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดจกเกิด จิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจกเกิดกายตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในารามา ว, วจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปา ว, วจรภูมิและอรูปา ว, วจรภูมิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิ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 วจีสังขารของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจจีมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดและวจีสังขารก็จักเกิดอนุลมะโอกาต41อนุ กายาสังขารในภูมิใดจกเกิดอนุโลมปุกขโอกาต42อนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาตกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมชาตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกางมวจรภูมิ กายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและวจีสังขารก็จะเกิดปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายยสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิต ข, ของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้ข้าพปฐมฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกายมวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายสังขารก็จะเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ จิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดกายะสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชีมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุทะฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสัง ข, ขารไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกลามอวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายสังขารก็จะเกิด43อนุวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด วจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชีมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยชาตตัยชานและจตุทชานจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมชาตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิ และบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและวจีสังขารก็จกเกิดปัจจนีฝ่าบุคคล44อนุกา ย, ยะสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิต ข, ของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามาวจรภูมิ จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและปรินิพานกําลังจุติกายแสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่วัตถีสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่จกเกิดปาฏิวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดกายยสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุกายยสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิ ปฏจิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิสชบุคคลในรูป mi, าวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและปรินิพานกำลังจุติกายแสังขางของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จิตจสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปฏจฉิมจิต กายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดกายยสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่สี่สิบห้าอนุว่าจิสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิปฏิมาจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยปัจฉิมจิตวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักเกิดปฏติจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ ปัจเนกาโอกาต46อนุการยสังขารในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดปัจจนกาปุคาโลกาต47อนุการยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดวัชีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกา마วจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น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 แล้ววจีสังขารก็ไม่ใช่จักเกิดปาติวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตัตยชาญวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตปฏจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ จากเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุตจานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญรย์สัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและกายสังขารก็ไม่ใช่จากเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ ปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามมาวจรภูมิจากเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุตชฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จิตสังขารไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อาาุบัติอยู่ในอาศัยสัตตภูมิ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่สี่สิอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ ปชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยชาตตติยชาตและจ York, ตุตชาตวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปชิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด และจิตสังขารก็ไม่ใช่จากเกิดปาติจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่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 แต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งลมอาศาสะปัสสะสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและกายสังขารก็กำลังเกิดห้าสิอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดเคยเกิดว่าจีสังขารของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิ ในพังคาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารบุคคลผู้เขาเนโรทสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทคขณะแห่งวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส ห้าสิบอ็ดอนุกายยสังขารในภูมิใดกําลังเกิดอนุโลมะปุกโคลกาศห้าสิบสองอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งลมอซาสะปัส ส, สะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตะติยฌานกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด แต่วจีสังขารไม่เคยเกิดในอุปาทขณะแห่งลมอสซาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในแารมาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและวจีสังขารก็เคยเกิดปฏติวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ ในพังค์ขขณะแห่งลมอซาสะปั tamam. สาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจารภูมิในอุปาทัศขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลอาาามอซาสะปัสาสะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจารภูมิและอรูปาวจารภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่กา ย, ยสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทาขณะแห่ eng, ลงลมอซาสะปะสาสะ ของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในฟา ร, ร์มาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและกายสังขารก็กําลังเกิดอ น, นุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งวิตกและวิจารณ์จิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและว่จีสังขารก็กำลังเกิดปัจจเนกาบุคคลห้าสิบสอนุกายแต่สังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดวจีสังขารของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด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 ห5หอนวุวัจจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตแตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดวัดจจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีปัจเน ก, กะโอกาห้าสิบหอนุกายสังขารในภู ม, มิใดไม่ใช่กำลังเกิด ปัจจเนกาปุคโลกาห้าสิบเจดอนุกายะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งลมอาซาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกาลมาวจรภูมิในอุปาทขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอาซาสะปัสสาสะ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งลมอสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญในอุปาทพณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอสสาสะปัสสาสะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้เข้าจตุติยชาญ และบุคคลผู้อุปายู่ในสุทธาว่าสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุปายู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวจีสังขารก็ไม่เคยเกิดปฏติวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคย เ, คยเกิดกายสังขารของบุคคลนั้ น, นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัณะแห่งลมอาซาสะปัสสะ ของบุคคลผู้เข้าทุทาติยชาญและปติยชาญวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิด <_ d transcript> ในพังคขขณะแห่งลมอาศาสะปัสสสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและปติยชาญในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอาศาสะปัสสสะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้เข้าจจตุตชาญ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 กายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ห้าสปดอนุวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังคขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด